ทั้งบทอุ ป, ปาจัสันติแปลไทยล้วนและกับบทอุปปาจัสันติย่อรวมกับบทสวดมนต์ประจําวันเป็นภาษาไทยล้วนเช่นกันนะครับจบแล้วจึงเป็นบทอุ ป, ปาจัสันติบาลีล้วนที่สวดโดยพระจากนั้นก็จะเป็นตัวอย่างเสียงอ่านหนังสือที่ผมอัดเสียงไว้และมีแจกฟรีในเว็บไซต์นะครับก็จะมีเรื่องพระคุณแม่นิทานให้แง่คิดสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็แววเสียงสวรรค์งานของอาจารย์พรรัตนสุวรรณ ราษทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งที่แตกฉานในพระไตรปิฎกแต่นําเรื่องโลกหลังความตายมาเล่าแบบเข้าใจง่ายสนุกและหากฟังเข้าใจและคิดตามไปด้วยก็จะได้ธรรมะลึกซึ้งแบบไม่รู้ตัวไปด้วยนะครับหลังจบเสียงอ่านแล้วก็จะเป็นเพลงธรรมะร่วมสมัยกับเพลงพระคาถานะครับแล้วก็เสียงสดมน์จากพระเป็นบทธรรวัดเช้าธรรมวัดเย็นแล้วก็บทธรรมจักรกับชินบัญชรแล้วก็ยังมีบทสวดอื่นๆอีกหลายบทนะครับ